ปัญหาที่สิบสองถามเรื่องกระดูกยาวข้าแต่พระ น, นักเสนมีคำกล่าวว่ามีกระดูกยาวตั้งหนึ่งร้อยโยศโยมไม่เชื่อเพราะต้นไม้ที่สูงตั้งหนึ่งร้อยโยศก็ยังไม่มีกระดูกที่ไหนจากยาวตั้งหนึ่ง้อยโยศขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยได้ส่งสดับหรือไม่ว่า ปลาในมหาสมุทรตัวยาวตั้งห้าร้อยโยช์มีอยู่เคยฟังพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นกระดูกของปลาที่มีตัวยาวตั้งห้าร้อยโยช์จากยาวตั้งหนึ่งยโยช์มิใช่หรือใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้า